มีพิธีมากๆแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อ <c oughs> จริงพระปา่าไปใค่นั้นไม่ถนัดเลยไม่ไม่ถนัดบ้าอะ่ะก <c oughs> ็อยากจะให้รู้ได้ให้รู้จริงจริงก็รู้ถ้าอย่าพูดไม่ใช่ไม่รู้สแสวงหาธรรม มันก็จะรู้ทำทุกคนก็รู้ทำแต่ทุกคนก็ทุกมีผู้เห็นทำถึงยังไม่ทุกแต่ผู้จะเห็นธรรมคือผู้ปฏิบัติธรรมจะลงมือปฏิบัติให้มากมปฏิบัติให้มากย่าไปติดในพิธีกรรมมากมนั่งให้มันนานๆอ่ะโดย่วนมากแต่รู้รู้วิธีแล้วก็มาติดติดในรูปแบบ ตื่นเะเปลือกอยากวปฏิบัติธรรมหน่อยก็มารู้มันเรียนรู้เดินยโรมท่านั่นนั่งภาวนาท่านี้แล้วก็ไปเดินบื้อนั่งบื้อตามวัดนั่นแหละกลับมาก็บื้อๆนั่นแหละคือทำอะไรก็ไม่เป็นต้องคิดแต่ว่าตัวเองสงบสัมมวอจริงๆสงบสํารวม มันสงบสัมมลมในความรู้สึกที่มันไม่ดีอย่าให้มันหลุดออกมาออกมาทางปากทางกายเนะี่ยออกมาทางวิธีกรรมกายกรรมควบคุมมันอืมแต่คุณจะต้องรู้เอคุณจะต้องรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับใครยังไงเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะมีกรรมวิธียังไงให้มันรู้เป้าหมายเนี่ยกระบวนการคิดวิเคราะห์มันต้องคิดอยู่เออ่ก็เหมือนเราเราอยู่ร่วม เราจะอยู่เฉยไม่ได้มันจะต้องคิดมุมนั้นมุมนี้อยู่ร่วมกับคนเหมือนเราอยู่บนถนนเส้นหนึ่งอ่ะเราจะต้องขับเคลื่อนตัวเองรถจะต้องวิ่งไปในสายทางนั้นแต่แต่คุณจะต้องรู้ด้วยว่ามันไม่มีรถคุณคันเดียวอ่ะมันมีหลากหลายคันคุณจะต้องระวังระวังที่จะไม่ต้องไปไปไ ป, ไปชนเขาระวังเขาอย่ามาชนคุณ ในสายทางชีวิตเหมือนกันคุณก็จะต้องระวังเพราะไม่ได้มีคุณคนเดียวมไม่ใช่จะนั่งบื้ออยู่อย่างเดียวได้คุณต้องกินต้องใช้มันยังต้องขับเคลื่อนตัวเองในการอยู่ร่วมกับสังคมซับซ้อนอ่าแต่ต้องคอยระวังในการที่จะไม่ไปละเมิดใครระวังเวลาถูกละเมิดจะทำใจยังไงที่ไม่ไปตอบโต้ควบคุมเพรากิเลสไม่ได้อยู่ในวัดในวาไม่ได้อยู่ในป่าในเขา ไม่อยู่ในใจเราเนี่ยไปไหนเราใจไปด้วยใจไปไหนก็กิเลสไปด้วยกิเลสไปไหนมันก็ทุกข์อยู่ท่านแหละทุกข์อยู่ที่ใจมันจะทุกข์ที่ไหนอ่คนตายไม่มีปัญหาหรอกคนตายแล้วไม่หัวเราะคนตายแล้วไม่ร้องไห้คนตายไม่เลือกป่าช้าคนตายไม่เลือกเมน่ะมันมีปัญหาคือมีชีวิตนี่แหละอืเป็นชีวิตที่หลงเนี่ยวก็ยุ่งยิ้มเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ที่นั่นกับไม่นี้ที่นี่ก็ไม่ไม่เวิร์กอ่า เวลาตายมาไม่เห็นมเลือกป่าชาเอีอ่ยมันก็อยู่ได้แต่หันมาดูนี่มาภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญ อ, อการมาทําความเจริญนี่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตัวเองนี่ภาวนานต้องภาวนาตลอดอืมตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นดินสัมผัสรสมันต้องเกิดความรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลสความสําคัญมันหมายในความรู้สึกนั้ น, น, นเป็นกิเลสทําไงจะดักทันอ่ะอ่า สติมักอคอยควบคุมไว้แล้วผลิตปัญญาขึ้นมาสลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจพฤติกรรมนี้กิริยาการนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าภาวนาอะอปฏิบัติธรรมพยายามคอนโทรความรู้สึกตากระทบรูปหูกระทบเสียงคุณถนะ้าเกิดความรู้สึกแล้วอ่าพยายามคอนโทรมันให้พอดี ในขณะที่คุณพยายามพยายามที่จะ บ, บริหารจัดการมันให้พอดีคุณกําลังปฏิบัติธรรมในทุกที่ทุกสถานไม่ใช่ต้องไปปฏิบัติต้องไปใส่ชุดขาวเดินกระยอมกระแวงอยู่ในวัดถึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ปฏิบัติทุกที่เนี่ยเพราะต้องปฏิบัติที่ใจกิเลสมันอยู่ที่นี่อืมมันปฏิบัติให้ทันเหมือนไฟไหม้ที่ไหนคุณต้องดับที่นั่นอย่าไปรอเวลาไม่ได้อืม นี่ละกิเลสไฟราคะาโทสะโมหะจะเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจนี่อ่ า, าสติมรู้รู้แล้วยับยั้งสติของสมุทัยรู้แล้วเสริมอ่าคนไปปล้นไม่มีใครระเมือไปปล้นหรอกอืมมันมีสติสัมปชัญญะพร้อมนั่นแหละวางแผนไว้ดิบดีจะไปปล้นเขาเนี่ยปล้นเสร็จแล้วมันก็นรีบชิงทำไมไม่เดินเอ้อเล่ห์เหยือยู่ล่ะแต่มันก็รู้อยู่ไม่ถูกอืมมันรู้มีสติสัมปชัญญะพร้อมย มันเป็นเพียงเนี่ยมิจฉามิจฉาสติอืมถ้าสติมากรู้แล้วยับยัง้งมันดูแล้วมันไม่เวิร์กไม่ใช่ใครคนจะเดือดร้อนแล้วจะนำความเดือดร้อนมาหาตัวเองในภายหลังยับยัง้งแล้วผลิตปัญญาให้เหตุผลมาสลายอืสลายความรู้สึกที่มันไม่ดีแต่เริ่มนี่ซะนะอืพยายามควบคุมมันอืความรู้สึกเนี่ยมันเวียงแล้วมันไม่รักมันกะชั่งแล้วเนี่ย พยายามควบคุมคอนทห้พอดีพยายามผลิตปัญญาหาเหตุผลมาสลายปัญหาในใจตัวเองพฤติกรรมแบบนี้กิริยาการในจิตแบบนี้เรียกว่าภาวนาเรียกว่าปฏิบัติธรรมในทุกที่ทุกสถานเราไปไหนก็เอาตาหูจมูกลิ้นไปด้วยอย่งจะไปปฏิเสธรูปเสียงกลดิ่นรสมันปฏิเสธไม่ได้มันไปสัมผัสกันมันต้องเกิดความรู้สึกมีชีวิตมีประสาท ส, สัมผัส แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่กิเลสความสําคัญมันหมายในความรู้สึกอ่ะชอบสิ่งนี้พยายามควบควมมุมบริหารแต่การสิ่งนี้ไม่เสื่อมสลายอืมไม่ชอบสิ่งนี้ปฏิเสธอ่าผลักไสให้ไกลห่างอันนี้เระตัณหาล่ะอันนี้ลารากิเลสล ะ, ะพยายามดูให้มันท่านควบคุมให้มันท่านรู้และ ว, วางมันก็จบมันไม่จบคือมันไม่วางเนี่ยไม่ไม่วางสล้ก็กุืนอยู่ในใจนี่ อ่าแต่จะวางไว้ต้องมีเหตุผลรองรับถึงเพราะานั้นคุณต้ผลิตปัญญาขึ้นมาให้มันเร็วอ่าแต่ถ้าการประมวลผลของคุณมีคุณภาพผลิตปัญญาขึ้นมาเร็วปัญหามันก็หายเร็วนั่นแหละเห็นไหมเปิดไฟขึ้นภูมิความมืดก็หายไปนี่คุณคิดว่าไม่มืดหรือลองปิดไฟดูสิปิดไฟแล้วก็มืดอพอเปิดไฟมามืดก็หายก็แทนข้าวนที่เดิมมัน อพอปิดไฟปุ๊บก็ไม่เห็นน่ะตูต้โต e ๊ะเตียงอะไรอยู่ที่หนังสือนังหาอยู่ที่นี่มองไม่เห็นเหมือนไม่มีอะไรพอเปิดไฟขึ้นเมื่อไหร่เอามันก็มีขุมมันอยู่นี่มีก็ไม่สงสัย แ, แต่เข้าห้องมืดๆเดี๋ยวเดินนะ่ะอตกังวลนั่นวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเดี๋ยวจะไปชนนู่นหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปชนนี่หรือเปล่าวิจิกิจฉาอุทธจักขุกขอ่าฟุ้งซ่านลมคันใจอยู่กับความสงสัยนั่ น, น่ะอืมแต่ถ้าเปิดไฟเมื่อไรหร่มืดก็หายไป พอมืดหายสิ่งที heures, はは lad, ่มันไม่อยู่คิดว่าไม่มีมันก็มี่อามันเห็นน่เหมือนกันอ่าคุณคิดว่าความสะอาดมันจะเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่สกปรกหายไปนั่นแหละปัญญาจะเกิดตรงไหนเกิดที่ตรงปัญหาหายนี่อนปัญหาหายเมื่อไหร่กับปัญญาเกิดปัญญาเกิดเมื่อไหร่กับปัญหาหายะเสื้อผ้าเราสกปรกตรงไหนไปซักที่นั่นขยี้ที่นั่นอ่าสกปรกหายไปเมื่อไหร่ก็สะอาดที่นั่นะ มันจะสะอาดที่ไหนก็แทนค่ากันอยู่นั่นแหละนมันสว่างตรงไหนตรงที่มืดหายนั่นเนี้ยมืดมันอยู่ตรงไหนตรงที่สว่างไม่มีแบบนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ที่อื่นแทนค่ากันอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดอืมเราต้องมาแก้ที่ใจนี่ใจอยู่ไหนนี่จิตอยู่ไหนจิตคือธาตุรู้ใจมโนวิญญาณนี่เป็นธาตุรู้นี่อพยายามดูมันนี่พยายามควบคุมมันนี่นะให้มันสงบเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนเพื่อเอากำลัง เพื่อเอาข้อมูลอ่ะมัน Và เราไม่เคยสัมผัสกับกลางคืนคุณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับกลางวันเนี่ไม่เคยึสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงคุณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับความฟุ้งซ่านอ่ะอืจะได้เบื่อนายมันจะได้วางมัน่ะมันไม่มีมิได้สงสัยอยู่นั่นแหละทุกอยู่นั่นแหละทุกอยู่กับความสงสัยนั่นเนี่ยนั่นถึงให้ภาวนาพอภาวนาเนี่ยก็รู้แต่กิริยากัารมีแต่สัญญากับวิเคราะห์กันไป วิ่งตามสังขารไปพุ้งแต่งไปอ่าให้ให้ให้เว ม, มีเวลาที่ภาวนาให้มันเยอะๆเข้าวัดหลายปีไปมาหลายอาจารย์จนจะไม่มีพ้าให้กาบแล้วคือกาบมาหมดแล้วไม่รู้จะวัดไหนอ่าอันนี้เข้าวัดใจตัวเองมั่งทามันจะพ้นทุกกับวัดที่ใจนี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอก เจ้าชายที่ถ้าทางกันนั่งดูตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้นี่ท่านจะไปหาที่ไหนล่ะท่านเอาปัญญามาจากไหนแทบมีเอาปัญญามาจากการวิเคราะห์รูปเสียงกลิ่นรสพจน์ประธรรมอรมณ์นี่วิเคราะห์สิ่งเราซึ่งเราก็สัมผัสอยู่ทุกวันรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ประธรมรมอรมนี่แต่ทําไมวิเคราะห์เป็นปัญหาให้ตัวเองตลอดทำไมไม่วิเคราะห์เป็นปัญญาละ่นะเอาไปมาพอไปปฏิบัติธรรมปุ๊บไปเรียนรู้การปฏิเสธโลกซะอีก แทนที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกแล้วพยายามบริหารจัด ก, การตัวเองให้อยู่กับโลกให้ได้กลับมาที่ทํางานกลับมาบ้านอ่ากลับมาระบายเนี่ยไปกดดันอยู่ใ น, ในวัดสามวันเจ็ดวันเราคิดว่าตัวเองไปปฏิบัติธรรมยิ่งกลับมายิ่งอึดอัดไปนั่งเพาะกิเลสมานะ่ะอยากจะไปนั่งสำรอกกิเลสมาไม่ต้องเบาสิมันต้องโตร่งสิถ้าภาวนาเป็นมาตรฐานกระบวนการคิดวิเคราะห์ มันจะต้องดีกว่าคนที่ก็ไม่ปฏิบัติธรรมสิน่ะไม่ต้องรู้จักป่อยรู้จักวางความยุ่งยิม้มมันจะต้องน้อยลงไปเรื่อยพอรู้เท่าทันความเป็นจริงของสรรพสิ่งอยู่นี่นะไม่มีอะไรสะเสถียรไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอนะ่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งนั้นอนะ่ะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกคนตายเราไม่เห็นมีปัญหามันมีปัญหาตั้อแต่ตมีชีวิตนี่หันมาดูหันมาคุมมันอ่าบริหารจัดการมัน ในการที่จะผลิตปัญญาขึ้นมาแก้ปัญหามันต้องเกิดเงื่อนเวลาล่ะอ่าเราคิดมุมนั้นมุมนี้ไปมันก็ผ่านไปนาทีสองนาทีสานาทีแล้วคุณเอาทักษะการยื้ออารม์ที่จะไม่ตอบโต้กับสิ่งเราโดยทันทีมาจากไหนอ่าถ้าไม่เอามาจากการมานั่งยืออารมณ์นี่หายใจเข้าพุธหายใจออกทวหรือจะอยู่กับคําบริกรรมอะไรก็ได้ที่ถูกเจริญนิสัยตัวเองเนี่ยเอาทักษะการยืออารมณ์ตรงนี้ยื้อไว้หายใจเข้าพูดเดี๋ยวแวะไปเรื่องนั่นดึงมา แวะไปเรื่องนี้รู้แล้วก็วางดึงมามาอยู่กับคําบริกรรมแต่เริ่มกรรมาฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำํำน่ะอยู่ในลมหายใจนี่อยู่ในคําบริกรรมนี่ยื้อไว้เพราะจิตคือธาตุรู้จะให้อยู่เฉยๆเลยลอยมันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมึงจะต้องแวบไปนู่นนั่นนี่แหละไปเรื่อยเฉยละไม่อดีตการนาคตไม่รักกระชังนน่ะท่านจึงให้เอาคําบริกรรมนี่ยืมมันไว้ฝืนมันไว้ นะเพื่อให้มันเข้าไปสู่ความสงบที่แท้จริงเพื่อเอากําลังจากความสงบนั้นนะออกมาแล้วค่อยมาพิจารณาเหมือนเราง่วงแล้วนอนจนตาลายแล้วเนี่ยมันต้องนอนซะก่อนอืมตื่นขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันจะไปทํางานอะไรนะอความรู้สึกคนที่อ่าไม่ได้นอนนะ่ะะก่อนที่จะนอนกับหลังตื่นนอนนะ่ะมันต่างกันนี่เหมือนกันกําลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่นี่กับจิตเข้าไปสัมผัสความสงบ อ, ออกมาเนี่ย มันจะต่างภาวะกันมันจะมีกําลังต่างกันเหมือนเรากินข้าวอิ่มอ่ะอ่ะกินอิ่มอิ่มแล้วเป็นยังไงทีเนี้ยมีกําลังแบบไหนมันก็จะรู้ในตัวเองเนี่นอ่ะแล้วไม่มีใครสงสัยความอิ่มของตัวเองหรอกอะไม่บอกให้เลิกมันก็เลิกไม่บอกให้หยุดมันก็หยุดมันอิ่มแล้วอ่ะนี่อิ่มแล้วเนี่ยมีใครอะามาสงสัยความอิ่มของตัวเองอจิตที่อิ่มในอารมณ์อ่คือความสงบนะ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะไม่มีใครสงสัยหรอกอืมมันสงบเป็นแบบไหนนะ่ะตราบใดที่มีวิจิกิจฉารังเลสงสัยอยู่ก็แสดงมันไม่สงบมันสงบมันจะไม่สงสัยเหมือนเรากินข้าวอิ่มจะไม่สงสัยอะไรความอิ่มของตัวเองแล้วสงบมีกําลังแบบไหนกับเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วมีกําลังแบบไหนนะอ่มันมีกําลังอืมมันเป็นเรื่องนำมาทำอ่ทีนี้จะไปพิจารณายังไงกัอ่าก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอะตอนแรกหน้าที่ของเราคืออ่า ทำยังไงจิตจะสงบเป็นหนึ่งมันจะต้องอาศัยปัญญาพื้นฐานปัญญาพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่ก็ปร ป, ร ป, รประมวลหาบทสรุปมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของเราเราจะไปนั่งบืออยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้เราต้องกินต้องใช้เราจะในการกินหากินหาใช้ทำการทำงานคุณก็จะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นคนอื่นในที่นี้กับคนมีกิเลส ด, ด้วยกันนี่แหละ อ่ะและ้วจะทำยังไงจะอยู่ร่วมกับคนมีกิเลสด้วยกันอย่างมีความสุขตามมัตราภาพนี่ตอบโจทย์นี้ให้ได้ก่อนเถอะอ่าอือยู่ให้มันได้นะถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่ไปละเมิดเบียดเบียนกันอ่ากลับบ้านกลับช่องอยู่คนเดียวอิสระนะอยากจะได้มานั่งบริหารจัดการตัวเองเพื่อเข้าสูข่ขูความสงบให้มันง่ายพอเ ก, กี่ยวกความสงบแล้วค่อยมาพิจารณามันตึงจะมีกําลังที่พิจารณาให้เบื่อหนา่ายใครกําหนดได้ ่ถ้าพิจารณาเดี๋ยวนี้มิจะหลงสังขาร น, นั้นแนหะเอาแต่สัญญาที่ได้ยินมาอ่านมาแล้วก็มาปรุงไปแล้วก็สวยเวทนาไปความรู้ของเราเป็นสัญญาล้วนๆมลว น, ล น, ลนมันยังไม่ได้เป็นปัญญาที่จะเบื่อหน่าใครกําหนักได้อ่าแต่ให้มันมีปัญญาพื้นฐานรู้เกิดมาเดี๋ยวก็ตายตา ย, ตายแล้วก็ไม่มีสาระแกนสารอะไรอ่าเพื่ออะไรอ่ะพิจารณาเพื่อที่จะให้หลดุดสลุดสังเวชไม่หลงกับกระแสะโลกจนเกินไป มันจะดีดมาเป็นแรงจูงใจที่อยากจะลงมือปฏิบัติปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความสงบให้ได้เนี่ยออกจากความสงบแล้วค่อยมาพิจารณาอ่ามันนี้ยมีกําลังอ่าที่จะผลิตปัญญาที่รู้รอบในกองทั้งศาสตร์สองขานต่อไปนะน ะ, ะนี่ในสายหลวงปู่มั่นอ่าท่านทําแบบนี้ท่านสอนแบบนี้นะเดี๋ยวโดยปกติธรรมชาติอีริยาบถมันเบี่ยงเบนทุกอ่าอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทํา มันเลยไม่เห็นทุกชัดะไม่เห็นทุกชัดคุณจะไปหาสมุทัยตรงไหนะไม่คิดหาสมุทัยคุณอยู่ในมรรคยังไงอ่ะคุณไม่ได้อยู่ในมรรคคุณจะไปนิโรธแบบไหนะเละคุณคิดว่าอริยสัจ ส, สีมันอยู่ไหนมันมันอยู่ในใจเรานี่ะมาภาวนานกันนี่แหละอืมมาดูทุกแหละนี่มันจะมีสุขที่ไหนในอริยสัจ ส, สีไม่มีคําว่าสุขหรอก มันนั่งกันเพื่อให้มันเห็นทุกข์เลยที่พรุทธเจ้ามานั่งนี่ขาขวาทับขาซ้ายมือ ข, ขวาทับมือซ้ายเนี่ยเป็นท่าที่อ่าสมดุลที่สุดจะนั่งได้นานที่สุดอนั่งลงไปฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็เป็นเน็จเจ็บปวดใดที่มีจิตไม่สงบเจอแน่นอนเนี่ยสภาวะนี่ยทุกพระพุทธเจ้าต้องการมาเห็นนี่แหละอืดูสิเนี่ยใครทุกข์เราก็ว่าเป็นเราสั่งมันดูสิอย่าให้มันเกิด ถ้ามันเกิดขึ้นมาอ่าแล้วเราชอบไม่ห่อสภาวะทุกข์ไม่ชอบอแล้วทําไมมันถึงเกิดพราะเกิดแล้วทําไมอ่าสั่งมันให้หายก็ไม่ได้ก็นี่แหละเป็นบทที่สูอ่ะที่พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเราคุณคอนโทวนมันไม่ได้มันก็เป็นตามภาวะของมัน่่ะอาแล้วคุณก็มันหลงตัวเองนี่ใครแตะก็ไม่ได้ถูกติชินนินทาว่าโน่นนั่นนี่ก็ไม่พอใจก็โกรธว่ามันเป็นสิ่งดิบดีอยู่นี่ มันจะมาดดียังไงเออคุณลองดูสินั่งอยู่เฉยยัยงทุกข์คุณคิดว่ามันมีอะไรที่จะมีความสุขยิ่งกว่า น, นี่กับการเกิดเนี่ยมันไม่มีแล้วทําการทํา ง, งาน น, นู่นนั่นนี่กับวันเหนื่อยก็ว่าทุกข์นั่งเฉยยัยงทุกข์มันจะมีความสุขไหนจากการเกิอดอีกเหันมาดูเนี่ยมันเป็นสิ่งดิบดียังไงแล้วด้วยความหลงยังไม่ได้อยากตายจากมันดีทั้งๆั้งที่นั่งเฉยยัยงทุกข์เนี่ยดูความหลงของตัวเองเนี่ยมันแก้ไขเนี่ยผลิตปัญญาขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปัญหาในใจตัวเองนี่แปลงสัญญาให้มันเป็นปัญญาเอาตัวให้รอด <c oughs> ในสิ่งที่บุรุเจ้าให้ภาวนานาจากน้อยไปหามากเป็นพลังงานซึมซับทําบ่อยๆสติจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยจิตก็จะมีกําลังขึ้นเรื่อยกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยก็จะสามารถผลิตปัญญาที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันจิต ไม่ให้เศร้ามองจากสิ่งเล่าที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนะี่ยพอคุณต้องเจอมันแน่นอนอ่านะแต่ในที่ทํางานของเราในบ้านของเราตามถนนห้นทางที่สาธารณะไม่ใช่ที่อยู่ของพระราหันอ่านะเป็นที่อยู่ของคนมีกิเลสด้วยกันเนะี่ยอ่าทำไงเราจะอยู่ร่วมกับคนมีกิเลสได้อย่างมีความสุขตามวัฒภาพเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสนะต้องหันมาเตรียมตัวที่จะบริหารจาัด ก, การตัวเอง น ไ, ไม่ใช่จะไปบริหารจัดการคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งนะแล้วก็สอนให้หันมาบริหารจัดการตัวเองทำไงจะอยู่ร่วมกับมันได้มันมีก่อนคุณมาเกิดแล้วเราอยู่ในโซนนี้ของดาวดวงนี้เราปฏิเสธกัางวันหรือกลางคืนไม่ได้หรอกนะ กลาวันมันร้อนหาพัดลมหาแอร์กลางคืนมันมืดหาเทียนไขไฟฉายตะเกียงไฟฟ้าผลิตปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมตามเป็นจริงให้ได้คุณทำได้แค่นี้คุณไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เหมือนกันคนดีคนเลวสิ่งดีสิ่งเลว เหมือนกลางวันและกลางคืนคือมันมีอยู่แล้วคุณตายไปเดียวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้คุณไม่มาเกิดเลยมันก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าเรื่องของคนสัตว์หรือว่าสิ่งของมันมีอยู่แบบนี้อยู่แล้วทำไงจะอยู่ร่วมกับมันได้นั่นคือการที่จะหันมาบริหารจัดการตัวเองที่จะลดละความสำคัญมั่นหมายในการที่จะไปละเมิดเบียดเบียนกันให้มันขุ่นมัวในใจซึ่งโอกาสที่จะต่อยอดความสงบมันก็ยาก ซึ่งไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับคุณผลิตปัญญารู้รอมในกองสังขารไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยในมุมของเราในการปฏิบัติธรรมจะเน้นในวัดเราธรรมะเองการอยู่ร่วมช่วยกันทำช่วยกันกินสำคัญนะเวลาจะอยู่ร่วมกันถูกกระทบกันนู่นนั่นนี่คอยควบคุมใจตัวเองบริหารจัดการใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะถ้าเราควบคุมได้ ถ้าอยู่มีเวลาส่วนตัวจะต่อยอดความสงบมันก็ง่ายอย่าลืมว่าพฤติกรรมถาวรของมนุษย์ย่อมเห็นแก่ตัว อ, อย่าทําอะไรมาจะต้องหาเหตุผลลองรับพฤติกรรมตัวเองเถียงกันอยู่ตาดําตาแดงกัมีเหตุผลทั้งคู่นั่นแหละะมีแต่เหตุผล่แล้วก็ทุกอยู่นั่นแหละกับเหตุผลของตัวเองเพราะเหตุผลของตัวเองอคือสักยัิทิฏฐิความเห็นเฉพาะตัวอ่าทําเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ทุกหรอกเพราะมันจะมองโลกหลากนิติ นะแต่เป็นศสศักระยาที่ทีมันก็จะมองโลกมิติเดียวถูกกับผิดนะเอาแค่นี้แหละถูกกับผิดในสมมุติบัญญัติเนะี่ยผลิตขึ้นมาเนะี่ยเพื่อที่จะ น, นุรลุพฤติกรรมตัวเองเนะี่ยเถียงกันจนตาดำตาแดงเนะี่ยลดลดละไม่ได้วางอารมณ์ตัวเองไม่ได้เสียเปียบเสียศักดินะ์ศนระีเนี่ย แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเพราะจะเริ่มที่จะอืระวางตัวตนแล้วความมีศักดิ์ศรีมาอย่างไหนถ้าไม่มาจากสักยญาติทิฏฐิเนี่ยลดลงไปเรื่อยวางไปเรื่อยอถ้าไม่มีเหตุที่จะคุยอ่คุยไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้จะคุยทําไมอไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายเหตุผลกับคนที่ใช้อารมณ์อดูแล้วไม่เวิร์กอุเบกขาวางเฉยเมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมด้วยการภาวนานี่ น, นะลูกพ่อแม่เดียวกันมาจากแหล่งยีนพันธุกรรมเดียวกันแท้แท้ยังไม่เหมือนกันเลยจะไปเอานิยายอะไรกับยีนอื่นนะมีะต้องมาคิดคิดมันเป็นคิดเพื่ออะไรเพื่อทวงดุลความรู้สึกที่จะไม่ตอบโต้กับสิ่งเล่านั่นนะอันมาสอนตัวเองจะได้มันก็เพื่อมากจะได้ต่อยอดเป็นความสงบได้ง่าย น, น, าา น, านั่นคือการภาวนาทุกที่ทุกสถานนะโอเคนะ อืมเอาใครมีอะไรทีนี้พูดยาวมากเดี๋ยวก็เครียดครับใครมีอะไรที่เป็นข้อธรรมที่ะจะแอเปลี่ยนธรรมะหรือสอบถามพระอาจารย์ก็ก็เล <c oughs> ่นเชิญได้นะครับจริงห้องก็ดีนั่นนี่ดีกว่าลายวัดเนี่ยจ้อจริงบริหารจัดการเวลา ด, ดีชมรมก็เปิดมานานแล้ว กราบครูบาอาจารย์มากกจนมือแตกเป็นเสียเสียงๆแล้วนี่น้าไหวมาเข้าวัดใจตัวเองน้านัดกันเป็นเวลาตั้งนาฬิกาไปเลยนั่งสองชั่วโมงอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิน้นมันไม่ได้อะไรใครมันได้ขันติบา ร, รมีความอดทนอดกัน้นได้สัจจะบา ร, รมีติดจิตติดใจตัวเองไปบ้าง ให้ให้มันสมน่อยก็ลมทะบัวดูกาบลวงตา บ, บัวหลวงตานั่นหลวงจานี่ท่านเหล่านี้เอาชีวิตอืมเข้าแลกทั้งนั้นนั่งจนก้นแตกนั่งจนสลบออืมเแล้วพวกเราโอ้ยศรัทธาท่านศรัธทธา ต, ตรงไหนถ้าไม่ศรัธทธาที่ชื่อเสียงท่านศรัธทธานในข้อวัดหรือเปล่ปาหรอปฏิทาท่านหรือเปล่ปาหรอเนี่ยมันพูดขึ้นมามั่งให้มันคุ้มหน่อยนีมันถึงเยอะกึ้นกว่าชมรมพุทธธรรมกรรมฐ า, านชมรมอันนีย อ่าเป็นหลายที่ชอบวัดป่าชอบวัดป่าไปชอบอือบอมอแต่ตามชื่อตามเสียงนี่เฉยไม่ค่อยคุ้มไม่ ค, คุ้มอืมดีๆเนะี่ยเรามาที่สองครั้งเนี่ยนะอ่ามาที่นี่กับการไฟฟ้าที่มานั่งคุยเฉยนอกนั้นเราไปอ่าเราจะไม่รับนิมนต์ไปพระหลายองค์ล้วกนิมนต์ไปบินถวัตว์กูไม่ไปหรอกกาจะได้กินมื่อเช้าในองค์เดียวกูยังตักที่พายเลยเนะี่ย <c oughs> อันี่ยวอนๆหนให้สองครั้งเลยแล้วทีนี้ก็แล้วก็มาตั้งคุยนะไปเออไปไปสวดมนต์พาสวดมนต์ธวัดะแล้วก็พานั่งภาวนาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้เกียรติธรรมเล็กๆ น, น้อยๆพราแต่เราคนนะ่ะรู้รู้อยู่แล้วหลักปฏิบัตินั่งภาวนาท่านั้นเดินยมกลมท่านี้ เราเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ประเด็นทําไงจะมีแรงจูงใจจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องอ่ะอืมก็ไปนั่นก็ให้กําลังใจกันอืมเป็นแบบนั้นเราคุยกันในมุมของภาคปฏิบัติอะไรน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าบางคนก็ไม่ได้นั่งอะไรนักหนาเลยอยู่บ้านไม่ถึงสิบนาทีได้ซ้ําไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้ําอ่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกําลังภายในอืมก็เลยอาศัยกําลังภายนอก เป็นตัวกระตุ้นในการผลิตกําลังภายในอกําลังภายนอกกกําลังใจจากภายนอกนี่แหละอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่คณะนี่กระตุ้นอืมานั่งท่านเร า, เราเมื่อเราเมื่อยแล้วเบื่อแล้วเออครูบาอาจารย์ยังอยู่หมู่คณะยังอยู่ก็เลยฝืนฝืนแต่ผ่านได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ตามท่านเปือน มันก็มีกําลังใจขึ้นเรื่อยๆกําลังใจจากภายในเน่ะมันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เออย่างน้อยก็ได้ขันติบรารมีความอดทนอดกั้นได้สัจจะบรารมีติดจิตติดใจบ้างขันติความอดทนอดกลั้นมันเป็นทักษะอ่าที่จะคอยควบคุมเออ่ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมซับซ้อนวุ่นวายแข่งแย่งยริงดีจิ่งเด่นนั่นได้ไม่ไมยุ่มยิ้มเพราะมันได้ฝืนตัวเองอยู่ตลอดอ่า สติเข้มแข็งขึ้นเรื่อยการตอบสนองสิ่งเล้านะ่ะเร็วแต่ไม่ตอบโต้โดยทันทีมันมีทักษะที่ยัยบยั้งชั่งใจนะเหมือนรถอะรถมันมีทำไปวิ่งแล้วติดเบรกไว้ทำไมบางครั้งมันก็จะต้องใช้เบรกยังหาที่จอดให้มันสนิทไม่ได้แต่มันก็ยังชะลอได้อะนะมาภาวนามาปฏิบัติธรรมนี่ก็มามาติดตั้งกระบวนการ EBS เนี่ย Emotional b r a k i n g Skill เบรกอารมณ์ตัวเองมีทักษะที่จะเบรกความรู้สึกเบรกอารมณ์ได้ที่จะไม่ตอบโต้กับสิ่งเราโดยทันทีรู้จักยับยั้งชั่งใจเยื้อยื้อยืเยืหยุหยน่ย น, ยนไปอ่เป็นแบบนั้นชีวิตก็จะเลยง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่ยุ่มยิ้ ม, มในมุมของเราเอาใสายทักษะความอดทนจากการนั่งภาวนา น, นี่แหละให้มันนานๆหน่อยหาเวลาบริหารจัดการเวลาดีโสถานที่ยางเบิกเลยคุณยายที่สร้างวัดเราเน่ย แกขายบ้านขายไร่ขายนานไปซื้อป่าขอซื้อสิทธิ์ชาวบ้านเขาที่เขาอบุกลุกป่าตาสงวนเนาะป่าเสื่อมโทมบุกลุกป่าตัดไม้เขาถาเผาทันเลี้ยงวัวคุณยายไงขายบ้านขายไร่ขายนาไปขอซื้อสิทธิ์แล้วก็สร้างวัดป่าน้ํำจูนมามีตะลุ่มทนันง่ายแต่ทีนี้ยี่สิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยก็ยังมีเป็นเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้อแล้วแกก็ไปอยู่วัดไป น, นั่นน่ะ อยู่ในกลางป่ากลางดงนั่งสามสี่ห้าชั่วโมงหนึ่งแกก็ไม่ได้รอดเลห์หาใครนอกจากเราพาไปอืมาเราเตือนตลอดไม่ต้องไปนั่นมากาไปวัดนวนวันนี้สี่ห้าชั่วโมงเดินเลยห้าชั่วโมงดี่นั่งเลยห้าชั่วโมงดิ์เร้วิ่งจะเห็นเองเห็นอลไรเห็นกิเลสที่ไหนที่ ใ, ใจตัวเองเนี่ยแก้ได้ก็เป็นพาาระระหันแล้วไม่ต้องวิ่งหาพาหาระระหันหรอกอไม่จะเป็นแบบนั้น อ่หลวงปู่มั่นหลวงเจ้า บ, บัวก็ไม่ได้จำพรรษากับพูทธเจ้าหรอกอ่ท่านมันลุนรู้ทำเอาคําสอนพูทไเจ้าแล้วมาปฏิบัติปฏิบัติท่้นมันจริงกินข้าวไม่จําเป็นต้องกินที่โรงครัวไม่จำเป็นต้องกินที่ร้านอาหารกินอยู่บนยอดไม้มันก็อิ่มสร้างเหตุคือการกินอ่ามันจะเป็นแบบนั้นมิงั้นก็จะเป็นแมงเมาอ่ะนะตอมหลอดสปวดไลอยู่ก็ดีใจว่าเป็นแสงสว่างอยู่กับแสงสว่างแสงจากใครเหรแสงจากตัวเองก็พอ เนี่ยไม่ต้องมาดูนี่เป็นการสิ่งที่เรารู้เป็นปัญญาตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่สัญญาหรือนะ่ะลองพิสูจน์ดูสินั่งถึงสามชั่วโมงไม่นะนี่ฟุ้งซ่านงงเหงาานอนเป็นเน็บเจ็บปวดทําไม่สงบเจอแน่นอนผลิตปัญญาขึ้นมาแก้ดูสิเนี่ยถ้าเป็นปัญญามันก็ผ่านได้แต่มันเป็นสัญญามันก็ผ่านไม่ได้หนังก็จะเป็นแบบนั้นนืมจริงไหมละ่ะมันก็มีนิวรห้าอยู่นี่นี่วรห้า ก, กั้นอยู่ที่นี่นี่นอารักกับช่าง ต อ, อนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ง่วงเหงาหาวนอนเนื่องจากวิจิกตรศาลังเลสงสัยก็เลยฟุ้งซ่านลำคันใจเป็นนิวรณ์ห้าตัวกั้นสมาธิตัวกัน้นกุศลอืมเป็นแบบนั้นอก็เหมือนกันชั้นบรรยากาศนี่มันกั้นระหว่างโลกนี่กับห้วงอวกาศนี่เธอโพสเฟียสตาตัเฟียไอออนฟิเซียนี่ผ่านไปได้อแล้วคุณผ่านไปแล้วคุณอยู่ในห้วงอวกาศแรงนุ่มถ่วงของโลกไม่มีผลกับคุณหรอกมีเหมือนกั้นอ่ เข้าไปสู่กับความสงบที่แท้จริงสิ่งเราภายนอกไม่มีผลกับเราหรอกนะนะรูปเสียงกินรถไม่มีผลหรอกเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไม่ลู้าเอาเคือมาปวดที่ไหนแต่ในเมื่อจิตไม่ได้อยู่กับไกลอืมเรีนอะไรจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนจิตอยู่กับตาเน่ยอยู่กับหูอยู่กับจมูกกับลิ้นกับกายกับอาการของใจเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะต้องรู้จักอะไรเดี๋ยวสัมผัสกับรูปเสียงกินรถวุ่นวายอินุงตุ้งนั่งอยู่นี่เด้อ เพราะนั่งหลับตาแล้วเนไม่เห็นรูปอยู่ยงั้นมันก็มีธรรมอารมณ์สัมผัสใจความจําเรื่องราวในอดีตกับผุดเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมาอีนุ่งตุ้งนั่งอยู่นั่นรู้ไม่เท่าทันมันรู้ตัวอีกทีกับสวยเวทนาแล้วตอนที่สัญญามันผุดมาเหมืนอนสติมันอ่อนดักไม่ทันสังขารกับปุุงไปอพอรู้ตัวอีกทีกับสวยเวทนาแล้วนี่เพราะฉะดักให้ท่านจิตมันจะสงบมันจะสงบจากไหน เออทำาไม่สงบจากสัญญาอารมณ์น <The> mm ี่สังขารตัวปรุงแต่งนี่เวทนานอกเวทนานในนี่มันจะสงบอย่างไนอืมมเป็นอย่างนั้นนี่เรามาภาวนามันถึงโอเคทำนานๆหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกห้องมันดีจะได้จะได้ห้องไป็นแล้วใช้เป็นประโยชน์รวมกลุ่มกันแล้ว อ่าในเื่องทฤษฎีเนี่ย น, น่าจะพอแล้วแหละหลักการหลักวารีบัตจะลงให้มากไม่ใช่อยากเป็นพระละหันเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันให้มันอยู่กับสิ่งเล้าให้มันง่ายขึ้นหน่อยมันร่างกายแข็งแรงคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโลกได้ดีนี่เห็นไหมไม่ว่าคุณจะอ่อนแอหรือเข้มแข็งคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้โลกเหมือนกันนะแต่คนเข้มแข็งก็ไม่ค่อยป่วยอ่ะ คนอ่อนแอกัสามันดีสี่ันไข่นี่เหมือนกันถ้าจิตอ่าสติเข้มแข็งจิตก็จะมีกําลังจิตมีกําลังมันก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเล้าได้ดีอืมสิ่งเลาลูกเสียงกินรสพ่อท่าทางธรรมอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ที่จิตเนี่ยอ่าเม็ดเลือดขาวอืมมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายเชื้อโรคให้น่ะอ่าสติมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายอารมณ์ให้น่ะเนอะเม็ดเลือดขาวมีคุณภาพมันก็โอเคก็ไม่ค่อยป่วย เชื้อแปกปร้อมเข้าไปกระดึบกระดึบควบคุมแล้วก็สลายไปนี่เหมือนกันสติเข้มแข็งก็คอยควบคุมแล้วก็สลายอารมณ์ให้ตาก็ทบทูกหูก็ทบเสียงเ น, นี่ยน่มันเกิดความรู้สึกอ่า้ามันไม่วางมันก็เริ่มกาะเป็นอารมณ์สติเข้มแข็งคอยควบคุมแล้วก็สลายไปน่รูวว้ระวางก็จบน้ําที่ลหยดน่ะปิดแล้วก็จบแต่ถ้าไม่ปิดระยดติ้งติงต้งติ้งอย่างนั้นนะ่าะะแต่ทีนี้รหยดทีๆเข้าก็เป็นสายน้ยําำหรือก็ท่วมล่ะ เนี่เหมือนกันหลงโลกกับหลงอารมณ์ก็เหมือนกันแต่วความรู้สึกต่อเนื่องกับเป็นอารมณ์เะอืยโอเคปะ บ, บเราจะเราอยาพูดพูดพูดให้ยาวแบบเป็นชมมมมั่วโมงแบบเอาหัวข้อทำเหมือนพ่อแม่ครูาอาจารย์แล้วก็คุยไปแล้วก็เออเห็นสมควรแก่เวลาเอวังอะไรเราเราทำไม่เป็นเราคุยเป็นเพัาะอค่กแงนี้แหละออ เราใครมีอะไรสงสัยก็ถามเาเป็นเป็นปนะไรนั่นก็เกินเกินพอเป็นแนวเป็นแนวให้กํลาลังใจกันกระตุน้นแล้วกปฏิบัติพอเราเนี่ยนักทำตรีเราก็ไม่ได้ตั้งแต่บวชมาเราก็นั่งาภาวนาก่อนบวชเรากินเหล้ามาแล้วก็นั่งาภาวนาตั้งนาฬิกาสองชั่วโมงไม่ขยับพอเวลานั่งแทงไฮโลใช้เวลามากกว่านี้เนีย่ยพยายามเป็นแบบนั้นเวลาทําดีอย่าคิดมากเวลาทำเร็วมึงยังคิดมึงไม่เห็นมึงคิดอะไรนักหนาะ อันจะเป็นประมาณนั้นอ่าเอาชนะตัวเองเลยเบอรที่สุดอ่ะเอาชนะคนอื่นเนี่ยก็แพ้อืมชนะคนเองอุ้ยชนะตลอดการรู้จักตัวเองเลยเดี๋ยวรู้จากหบทสามแดนโลกธาตุนะรู้จักภายนอกเยอะๆนานๆเข้าจะไม่รู้จากตัวเองอืมเป็นแบบนั้นโอเคนะอกาว่ นั่งไปนั่งไปให้แก้ตา่างช่นะครทีนี้โยนอยากจะได้อิบายจากที่หลว่อปฏิบัติช่วยดูยดหลวงพอเอง mm hmm. การปฏิบัติแล้วนี่โดยปกติการภาวนาเนี่ยมันจะเกิดสัญญาสังขารที่หล mm hmm. วง่บอกพัฒนาเกิด น, mm hmm. นี้จะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะทาให้จิตสงบรวมโดยที่จะระความตึงานต่างับไม่นะ่าจะมาจาญญาาับสัญญาการจูงจจับสังขาร จนกระทั่งเอเวทนามาด้วยแล้วสามารถละเวทนาได้ฝืนฝืนเราไม่ได้นั่งเอาเวลาก็เหมือนเราอ่านหนังสือเออถ้ายังไม่เข้าใจคุณก็อ่านกลับไปกลับมาก็เกิดเงื่อนเวลาเองอ่จุดมุ่งหมยกยอ่านให้มันเข้าใจนี่เวิ่นขึ้นเราจะทําความสงบให้เกิดขึ้นได้แต่ที่นี้มันยังไม่สงบ อือก็จะต้องอยู่กับมันนานๆเข้ามันก็เป็นเนื่อนเวลาตามธรรมชาติไปเฉยๆก็อยู่ฟื้นคุณจะต้องขึ้นรู้อตอแรกเอาพุโทโธ อ, อยู่กับพุโทโธนี่แหละอยู่กับคาบริกรรมมันจะแวบไปเรื่องอะไรก็พยายามยื้อมาอยู่กับปฏิวัตนธรรมกับคำบริกรรมนั้นแต่ถ้านั่งนานๆแล้วทีนี้มันยังไม่สงบแน่นอนนะปวดแน่นอนอนะ ะปวดแข้งปวดขาดำเนี่ยปวดแน่นอนทุกขเวทนาจะรุมเราถ้าพออยู่กับคำบริกรรมได้ก็อยู่แต่ถ้ามันอ่าอยู่ไม่ได้เพราะเวลาทุกมันทุกขเวทนามากเกินคุณทิ้งเลยคำบริกรรมเอาไม่อยู่หรอกไม่มีพุทธวิโทรหรอกมันอยู่ไม่อยู่ทิ้งปวดที่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ปวดหัวเขา่าคุณเอาตัวรูกมาอยู่ที่หัวเขาเ่าแทนพุทโทนะ่ะแล้วก็พิ จ, จนาเลยทีนี้ อ่าได้ยินได้ฟังสัญญามาจากตำราเล่มไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนอ่จะเอามาช่วยตัวเองละนี่เราทุกข์ละอืมนี่เราทุกข์ละเวทนาละทีนี้สติปัฏฐานสี่เอามาใช้ตอนนี้ละนี่อ่าทุกข์เป็นอะไรอะ่ะอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั่งมันก็ไม่เป็นนี่อ่าขาก็มีอยู่แต่ตอนนั้นไม่มีสภาวะนี้แต่ตอนนี้มันมีอยู่แล้วมีที่ขาขาเป็นเวทนาหรือ ลองเราเลิกนี่มันก็จะหายไปแต่ขาเรายังอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันแน่นอนแล้กจิดเป็นเวทนาหรือเปล่าคือสอนว่าถามมาตอบไปแล้วก็อยู่ยเฉยๆเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ทุกในขณะที่ทุกคุณจะแจ้งแก้ทุกในขณะที่ทุกเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาเข้าห้องแผลบแยกองค์ประกอบของน้ำของเหลวชนิดนี้นี่ h 2 o นี่นะเข้าไปสลายพันธะมันให้ได้ แยไฮโดรเจนไปอยู่ที่ออกซิเจนไปอยู่ที่ของเหลวชนิดนี้ไ hã, brasile, RICHARD, e. ม่มีอีกตลอดการนี่เหมือนกันพรธเจ้านั่งแยกอะตอมสลายโมเลกุลอยู่ใต้ต้นโพน่ะนในขณะที่ทุกเกิดคิดหรือว่าพระุทธเจ้าจะไม่มีทุกท่านพูดเรื่องอะไรถ้าไม่พูดเรื่องทุกนี่อ่าอริยสัจสีมีความสุขที่ไหนน่ะคุณอยากคุณทุกคุณจะต้องเรย e. ียนรู้เรื่องทุกคุณจะต้องหมกมุ่นอยู่กับทุกนี่เอยู่กับมันนี่ะถ้าเข้าใจมันปุ๊บมันก็จะเป็นอดีตของคุณ่ อืมเป็นขั้นเป็นตอนไปเดี๋ยวมันก็จะผ่อนลงอืมเดี๋ยวมันก็ปีดขึ้นมาตามกําลังสติคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนถ้าสติเข้มแข็งจริงอ่ามันจะรู้เท่าทันอาการของจิตอืมอ่าจิตขยับไม่ได้มันก็สงบเป็นหนึ่งหูดับทะลุมิติไปอ่าไม่มีขาไม่มีแข้งไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจนั่นคือความสงบคุณไม่ต้องไปถามใครเหมือนกินข้าวอิ่มคุณไม่ถามใครหรอกว่าอิ่มเป็นแบบไหนอะ นี่เหมือนกันได้ถ้ามันสงบแต่กว่าจะสงบเจอแน่นอนอยู่ที่กำลังของสติของแต่ละคนแล้วก็บุญบารมีของแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้นั่งถึงขนาดนี้แต่เขาสงบไปแล้วสงบไปแล้วก็จะไม่เจอสภาว่านี้แต่ถ้ายังไม่สงบเวลานานคุณต้องเจอแน่นอนไม่ใช่มาตรฐานว่าคุณจะต้องนั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยไม่แน่หรอกกินข้าวกินนั่งกินพร้อมกันอิ่มไม่เหมือนกันหรอก เจาะน้ำมาดานเหมือนกันน่บางที่ก็ต้องเจาะลึกบางที่ก็ตื้นนิดเดียวก็เจอแล้วบุญบา ร, รมีเป็นองค์ประกอบมองหลายมิติแต่ที่สำคัญคือสงมบเงื่อนนั่นแหละนะสมาธิสมาบัติสภาวะเหมือนกันคือความสงบเป็นหนึ่งะไม่มีสัญญาไม่มีสังขารตัวปรุงแต่งไม่มีเวทนานอกเวทนาในาต่างกันที่เงื่อนเวลาถ้าสงบนานหน่อยก็เลยเรียกสามาบัติ สนัแป๊บหนึ่งก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นของจิตลงไปแป๊บนึงออกมากับคณิกาเนี่าจะเป็นงั้นในตามหลักนะนะอ่ะทีนี้ถ้าไปด่าลงไปมากกว่านี้อีกเนี่ยสงบลึกเข้าไปอีกแต่ออกรู้นู่นเห็นนี่อาจจะมีนิมิตเกิด น, นู่นนั่นนี่พิจารณาได้ท่านก็นเรียกว่าอภปนาสมาธิ อ่าลงลึกไม่มีสัญญาไม่มีสังขารตัวปรุงแต่ไม่มีเวทนานอกเวทนาแล้วใช้เวารารันท่านก็เรียกอัปปนาสมาธิ น, นี่เรื่องสมาธิมันไม่มีป้ายบอกหรอกก็เหมือนชั้นบรรยากาศเทอร์โพสเฟียร์สตาโตสเฟีย ร, ร์มันไม่มีป้ายบอกหรอกอ่าะมันอ่าตัวบ่งบอกก็คือความหนาแน่นของอากาศนี่เหมือนกันความหนาแน่นของอารมณ์มันแหละอะืมันจะบอกเองแหละโอเคก็ะี่คือที่แน่ๆคือ อดทนอดทนแล้วมันะอ่าไม่ใ ช, มใช่มาตรฐานจะต้องนั่งเลยได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่เราก็พยายามอยู่กั บ, บปัจจุบันให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไอ้งเงื่อนเวลาเป็นสากลเองเรื่องของมันอ่าเวลาเป็นแบบนั้นแต่เราพยายามทําปัจจุบันให้ดีตราใดที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็พยายามทําให้มากฝืนให้มากให้เวลากับมันมากอะไรไปประมาณนี้ ไม่ใช่ต้องและสามพู่มวงเป๊มันจะเป๊หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่บางคนก็สงกบกว่านเลยซ้ําถ้าสงกบกว่าแล้วก็สบายแล้วพสอสงบแล้วก็จะไม่มีตรงนี้อ่าก็เหมือนโดนวางยาสลบหมอจะทําอะไรมั่งมีเคุณเคียดอะ่ะเพราะคุณไม่ตอบสนองสิ่งเ้าแต่สมาธิกับการถูกวางยาสลบต่างกันคือโดนวางยาสลบ ป, ปุ๊บเป็นวิสัญญีไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่ตอบสนองสิ่งเราเหมือนกันน่ะแต่สมาธิมีสติสัปพัญญะพร้อมรู้เด่นอยู่ภายในตื่นรู้ถึงว่าพุทธพุทโธเป็นสภาวะน่ะรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่อยู่ภายในแต่ไม่ตอบสนองสิ่งเ้าเพราะจิตมารวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นจึงไม่มีตัวเชื่อมกับรูปเสียงกลิ่นรสโทสะภาธรมรมลมแต่ตอนนี้นี่จิตของเรามันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นไกาแล้วก็ใจ ใจก็อยู่อาการของใจธรรมสัมผัสใจความจำเรื่องราวในอดีตพุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่แอดเบาเขาถึงเทศทุกที่เกิดซ้ำพัดใจนำพัำ่มเพอหาพัใจให้เจอก็เป็นสุขจริงๆเป็นธรรมะนั่นแหละแต่เปลี่ยนนัยยะคำว่าใจใจคือความเป็นกลางเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่กลางใจนาพั่มเพอคืออาการของใจอ่ะ แลนะมันไม่ไปรักกับไปชังไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตเพราะฉะนั้นหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขในยะคําว่าใ จ, จคือหาความเป็นกลางให้เจอก็เป็นสุขเขาแต่งได้ไงไม่รู้เขาเก่งนั้นนะ่ะนะเออเพราะฉะนั้นนะ่นะน่ะคาราบาลแดงหน้ากินมีวิตามินบ <laughs> ีสิบสองในโฆษณาให้ด้วยเถะ <laughs> เอ้ยจิงเป็นธรรมะอะคุณรู้อย่างไหละ่ะ ทุกอย่างเป็นธรรมะหมดคุณคิดว่าพระพุทธเจ้าเอาปัญญามาจากไหนถ้าไม่เอาปัญญามาจากการวิเคราะห์รูปเสียงกิจรดโพธิปัตมะรมเนี่ยอ่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงคุณโอปนยิโกเป็นมไหมละ่ะน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองโยนิโส ม, มานาสิการพิจารณาให้แยกคลาได้ไหมละ่ะนั่นคือการวิเคราะห์สิ่งเรามันเป็นแบบนั้นอืเรือนนั้นโอเคนะแต่การคาความสงบเพื่อเอากําลัง ืมสติเข้มแข็งจิตมีกําลังกระบวนการคิดวิเคราะห์มันจะมีคุณภาพตามเหมือนใบไม้มีคลอโรฟิลตะวันขึ้นปุ๊บมันก็สังเคราะห์แสงผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้อ่นี่เหมือนกันสติเข้มแข็งจิตมีกําลังกระทบกับสิ่งแล้วปุ๊บมันมีครามเป็นปัญญาเลี้ยงตัวเองเลยนะอืมไม่ใช่จะมาปฏิเสธสิ่งเราไม่ใช่คุณไปไหนคุณก็ต้องตาหูจมูกลิ้นไปด้วยอ่ะคุณต้องไปเจออยู่แล้วกับรูปเสียงกด ล, ดลิ่นรสอ่ะคุณมีชีวิตมีภาษาทสรรัมบัสคุณต้องเกิดความรู้สึกอยู่แล้วละ่ะ แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่กิเลสท่า น, นนะ่ะถ้าคุณไม่คอยควบคุมมันจะเริ่มเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาชอบสิ่งนี้ไม่อยากให้สิ่งนี้เสื่อมสลายอ่ะเกลียดสิ่งนี้อยากผักใส่ให้ไกลห่างละ่ะเหมือนคุณปฏิเสธกัางวันและกลางคืนคุณเครียดแน่นอนละ่ะแล้วทำไมคุณไม่คุณไม่เครียดกับกลางวันกลางคืนเพราะคุณยอมรับตามเป็นจริงไงแล้วทีนี้คุณเพิ่มการยอมรับนั้นมาสิ่งดีสิ่งเร็วคนดีคนเร็วเหมือนกลางวันและกลางคืนนั่นเนี่ย มันมีอยู่แล้วคุณตายไปเดือนนี้มันก็ยังจะมีอยู่คุณไม่มาเกิดเลยมันก็ยังจะมีอยู่นะคุณเมต้องหันมาดูบริหารจักการคุณอย่างที่บอกว่าถ้าเรายือนอยู่หน้ากระจกก็จะเห็นรูปเราในกระจกถ้าเห็นขี้ตาในกระจกผมเเพ้าเป็นกระเซิงในกระจกคุณจะเช็ดขี้ตาหรือหวีผมที่ไหนละ่ะอืม ถ้าคนฉลาดเขาก็หวีผมที่ตัวเองเช็ดคีตาที่ตัวเองถ้าเราเรียบร้อยรูปในกระจกก็จะเรียบร้อยเพราะรูปในกระจกคือสิ่งรู้แต่ผู้รู้ยืนอยู่หน้ากระจกเหมือนโยมมองอัตมาอัตมาคือสิ่งรู้ของโยมโยมคือผู้รู้อแล้วจะชอบไม่ชอบจะสุขใจหรือทุกข์ใจอยู่ที่โยมไม่ใช่อยู่ที่อัตมาถ้าจะแก้ต้องแก้ที่โยมนี่คือสิ่งที่พพุทธเจ้าสอน ไม่ได้ไปบริหารจัดการโลกโลกไม่วุ่นวายอ่ะคนดังหากี่วุ่นวายคนก็คือเราเนี่ยอันดับหนึ่งะแล้วถ้าคนคนตายแล้วไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาแต่เราเนี่ยไม่เห็นเ่าเกี่ยวกับเงื่อนเวลาเลยเวลานั่งภาวนาโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อไรจะหมดเวลาเนี่ย <c oughs> แต่เวลาคนตายแล้วล่ะเนี่ย เนี่ยคนตายไม่เห็นมีปัญหากับเงื่อนเวลาเมื่อไหร่เ ย, ยวกูเผาเนี่ยนอนอยู่ท่าเดียวกี่วันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเหมือนกันเวลาเรานั่งคุยกับแฟนเนี่ยแป๊บเดียวค่ำแล้วเนี่ยแต่เวลานั่งภาวนาเนี่กว่าจะผ่านสองชั่วโมงนี่โอ้ยเนี่ยจริงๆเวลาเป็นสากลมันเดินไปตามปกติของมันแต่ความรู้สึกของเรานะี่ยมันผิดปกตินี่คืทฤษฎีสัมพัทธภาพ E เท่ากับ M c square ตัวเร่งคูณสอนความหนาแน่นข้อมวลก็เพียบเป็นพลังงานกดทับตัวเองทุกขี่ผายโอเคนะ บทวอาจารย์ครับจะสอบถามหนึ่งคือว่าถ้าสมมติเรานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วมั น, มนเวทนาแล้วเอาเปลี่ยนวิธีการเป็นเดินชมกลมแทนอย่างนี้มันจะต่อนเนื่องไหมครับถ้าเราค่อยๆสะสมบารมีเรียนรู้ไปก็จะประมาณนั้นแหละแต่ก็พยายามฝืนให้มากอ่ะฝืนให้มากฝืนให้มากเพราะอย่างนีคุณต้องฝืนะขนาดชั่วโมงหนึ่งยังไม่สงบคุณคิดว่าอืมมันจะสงบเองไมหมล่ะไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามฝืนแต่ฝืนให้พอดีกับเราอ่ะ ถึงได้พอดีเนีย่ยแ่ทีนี้คุณเคยบอโอ้ยตั้งหลายปีมาแล้วแ้วไม่เห็นมันนันนู่นนั่นนี่เลยโอ้ยทำงานอดีเลกกจะหวังผลอุตสาหกรร ม, มนันไงนั่นไงจะต้องเหตุกับผลนันไปเรื่อยกันน่ะลไม่ดูหลวงตาหลงตาทุ่มทั้งชีวิตหลงตาสละชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะท่านไม่ได้หวงตายท่านถึงไม่มีเกิดอ จุดเริ่มต้นกับจุดจบอันเดียวกันแต่พวกเรายังห่วงตายคุณมาเกิดแน่นอนเลยเพราะหลมตาไม่มีตายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่มีเกิดท่านเสียสละชีวิตอืนั่นหมายถึงว่าท่านจะเอาเป็นน้ําเป็นเนื้อแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เอาแบบนี้ละเปลี่ยนอิริย บ, บทสลับไปแตกก่ก็จะต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยว่ากําลังเรายังไม่ถึงแต่นี่แหละคือทางปฏิบัติที่ถูกแล้วเราจะไม่ใช่ว่าโอ้ยมันน่าจะไม่ถูกเะริมไม่ใช่หล่ะ ทุกทุกเกิดขึ้นก็นแสดงว่าถูกแล้วอืฝืนเล่าตามกําลังฝืนคือนนั่นแหละอ่าคือเราจะขึ้นที่สูงคุณจะต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกใช้พลังงานมากกว่าปกติแน่นอนแต่ถ้าจะลงเหวแทบไม่ใช้พลังงานเลยมันอยากลงอยู่แล้วและตอนแรกก็จะสบายในการลงเหวแต่มันจะไปตุกข้างล่างนมันไม่สบายตรงนั้น <c oughs> อ่าแต่จะขึ้นที่สูงก็โอเคแหละคุณไม่สามารถดึงยอดเขามาหาเท้าคุณได้หรอกคุณต้องดึงตัวเองขึ้นไปหามันถ้าคุณอยากอยู่ที่สูงนี่เหมือนกันจะยกระดับจิตให้สูงคุณจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกไฟต่ําแต่เดิมของตัวเองฝืนอืมฝืนทุกอย่างแน่นอนแล้วพอมานั่งฝืนอารมณ์หน่อยนึงโอ๊ยไม่ถูกเลยมันฟุ้งซ่านมากไม่ใช่หรอกคุณฟุ้งซ่านแบบนี้แหละเป็นปกติแต่คุณไม่เคยมานั่งดูมัน อ่าเพระาะได้สัมผัสมันก็เลยรู้สึกว่าผิดปกติของคุณไม่ใช่เหมือนเราปล่อยตัวตามกระแสน้ำกันก็ไปได้เรื่อยๆแต่เราคุณไปเกาะโขดหินไว้หน่อยหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าออ๊ยน้ำแรงจังจริงๆมันเท่าเดิมนั่นแหละเพีงแต่คุณไม่เคยต้านมันเลยอืมโอเคไหมเนี่ย <laughs> อืม เรานั่งสมะะาธิค่ะจะจบคมเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิปุ๊บมันเกิดตับขึ้นอีกไอตั ว, ว น, นี้ความขี้เกียจเมื่อก่อนเรานอนนะคะแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนอนแล้วก็พุทโธไปเลยเนี่ยมันจะขาดต่อไหมคะก็ได้มันเหนื่อยมากกันนอนนั่นแหละพุทโธพุทโธจะหลับไปนั่นแหละจะหลับคือจะคือไม่เป็นไรที่นี่นะไม่เป็นไรเพียงเพียงแต่ว่าไอจิต เ, เราโนอยู่ตรง เออแต่แต่จะให้มันมันสติเข้มแข็งมีปัญญาอะไรเนี่ยสงบมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลหรอกกับเงินมันก็จะเข้าพวังโดยธรรมชาติของมันแต่ดีอยู่คิดว่ามันก็จะทำให้นอนหลับง่ายมีฟุงงซ้านก็นดีแต่ถ้าว่าจะสร้างสติให้เข้มแข็งมีปัญญาต่อไปวันข้างหน้ามนไม่ค่อยจะเวอร์กับการนอนนะ ใช่ฝืนเพราะเราเราต้องการที่จะฝึกสติให้เข้มแข็งให้จิตมีกําลังคงจะต้องฝืนน่ะมันมีอยู่แล้วแหละมันจะเข้ารวังนิวรห้าทีนามิทะนี่คืออ่อนจากคิดแล้วกันมันก็นจะมาง่วงเพราะอยนั้นถ้า ง, ง่วงปุ๊บรู้สึกเสียสมดุลหลวงเหลงโครงเคืงลืมตาตัดบทอย่าหลับตาไม่ให้เข้ารวังนะสติเราอ่อนอพุโทโธพุโทโธอยู่ถ้ารู้สึกหลวงเหลงโครงเคืงอยู่ภายในปุ๊บลืมตาเลย สติคุณเอาไม่ทันหรอกอ่แล้วทีนี้ถ้าอจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้พุทอยู่ไหนโถอยู่ไหนฟุ้งซ่านจนเกินไปลืมตาตัดบทรีเซ็ตใหม่เอามาใหม่ <c oughs> ใช่เหมือนเหมือนจักรยานกระแตกกระแทกไปนเะ <c oughs> อ่าเริ่มใหม่กระแทกกระแทกไปๆๆไป <c oughs> อ้ไอ้ดึงเอาขึ้นมาใหม่แล้วก็กระแทกกระแทกไปเดี๋ยวก็ล้มอีกลุกขึ้นมา ก็แทกก็แทกไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเดี๋ยวคุณจะมีทักษะที่จะรู้เองสมดุลอยู่ตรงไหนนะสมสมใช่มันจะต้องเกิดการเรียนรู้จากตัวเองแบบนี้อ่าเหมือนกันพุโทโธไปไม่กี่คำเดี๋ยวก็แว บ, บไปแล้วรู้แล้วก็ว่างวางอารมณ์นั้นมาอยู่อารมณ์นี้พู้โธพุโทโธนี่อ่าเหมือนว่าวอยู่บนฟ้านะ่ะอ่คุณมีหน้าที่ดึงเชือกไว้แล้วก็ดูมันไปเฉยเฉยอ่าเดี๋ยวมันก็แว บ, บไปซ้าย เดี๋ยวก็แว บ, บไปขวาตับไดที่มีเชือกเหนี่ยวลังมันไปเดี๋ยวมันก็มาอ่าใช่เอาพุโทโธนี่เป็นเชือกเหนี่ยวลังไว้หายใจก็พูดหายใจเอาพุโทโธเดี๋ยวมันก็แว บ, บไปอ่าเราพุโทโธไว้เดี๋ยวก็มาแล้วแว บ, บไปพุโทโธเดี๋ยวก็มายื้อกันอยู่อ่าและทีนี้เรามีหน้าที่ดูแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงของมัน คุณก็จะโอเคแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ว่าวขยับเมื่อไหร่คุณจะเครียดอ่ะนี่แหละมันคุณเครียดถึงเกร็งไงได้ที่นี้คุณพยายามที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้จิตขยับเลยจิตคือธาตรู้มันต้องออกรู้เพียงแต่คุณรู้แล้ววางสิอ๋อวางตามเป็นจริงทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรสะเสถียนถ้าคุณต้องการบังคับสิ่งที่ไม่สเสถียนให้มันสเสถียนตัวคุณอ่ะจะไม่สเสถียนอ่ะ เออพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ที่จะ ย, ยอมรับความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งที่ไม่เสถียนเราก็จะเริ่มเสถียนเนี่ยคือไม่เครียดมันเป็นแบบนี้เหมือนมองว่าเดี๋ยวมันก็ไปซ้ายเดี๋ยวก็ไปขวาตามกระแสลมเรามีหน้าที่เหนี่ยวลังเชือกไว้เดี๋ยวมันก็มานี่พุทโธดึงไว้พุทโธพุทโธยื้อกันอยู่แล้วเราก็ดูมันไปเราก็จะเริ่มสงบแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ว่าวขยับคุณจะไม่สงบ เคียดอะคือเข้าใจความเป็นจริงรู้แล้วก็วางนั่นแหละอืมวางสังขารกับตัวปุ้งแต่งนั่นแหละอืมอ่าเป็นแบบนั้นโอเคนะก็คือฝืนแต่ถ้าม่วงลืมตาตัดบทอย่าหลับตาจะสปปะงอะจะนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนไก่เป le, ็นนิวคาสเซิลมันไม่ใช่ <laughs> มีนั่งคำนับฟ้าดินกันอยู่นะ จริงๆต้องฝืนลืมตาผู้ห้าหานพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมหาบุรุษโลกนั่งหลับตาอยู่แต่ทำไมเขาไม่ทาพุทธเจ้าหลับตาไปนั่นเลยในมุมของเราเให้ลืมตาหน่อยหนึ่งเพื่อสื่อว่าท่านไม่ได้นั่งหลับนะนเนี่ย <c oughs> ตื่นอยู่นะเนี่ยแล้วก็ยะว่าพุทธเจ้านั่งหลับจริงๆไม่ได้หลับไม่ได้หลับอยู่กับความสงบนิ่งติด เอ่ยรวมเป็นหนึ่งถ้ารวมเป็นหนึ่งปุ๊บจะไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวเชื่อมกับรูปเสียงกลิ่นลดโพลล์สมารมไปภายนอกจะไม่มีสิ่งเหลาจากภายนอกสงบเรียนรู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในเอากำลังจากตัวนั้นแตทีนี้พอออกมาข้างนอกอตากระทบรูปหูกระทบเสียงกับวิเคราะห์สิ่งเหลา มีผัสสะท่านมีตาท่านมีหูท่านรับผัสสะรูปเสียงกินรสได้เหมือนเราเพียงแต่ท่านไม่มีกิเลสทําปฏิกิริาร่วมเหมือนเราอะจิตท่านถึงไม่เศร้าหมองเหมือนออกซิเจนมีความเชื้นมีแต่ไม่มีเหล็กทําปฏิกิริาร่วมสนิมจะไปเกิดตรงไหนอย่าเป็นแบบนั้นแต่ของเรามันเพียบเลย <c oughs> อย่ะอพยบเลยยงไงตัเองดีหมดอะแต่ก็ทุกอยู่ดีจริงทำไมทุกหะอืถามตัวเอง ว่าเราก็ปริวัติทำมาอาถ้าเปถ้าเป็นธรรมทำไมทุกข์อ่ะเอาไปมาคนไม่เข้าวัดมีความสุขมากกว่าเราอถามตัวเองดูมันคุ้มค่าน้ำมันไปวัดไหมล่ะงั้นวัดใจตัวเองด้วยเออความยุมหยิมลดไปเรื่อยไม่ค่อยยุ่มยิ้มไม่ค่อยอนั่นรู้จักยนหยนุยน่ยนยนืดหยุ่นไปอย่างเงี้ย เราเข้าใจความเป็นจริงของสัรรพสิ่งคนเนอ่ะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้ายังโปรดคนดินเดียไม่ได้หมดเลยเอานิยายอะไรกับเราแล้วเราต้องการให้ใครที่จะได้ดังใจเราทัศนะยละละความรู้สึกนี่แหละ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> โอเคไหมเราจะต้องมองโลกด้หลายมิติโอเคไปเ